ฉันใดชีวิตของพวกเราจุดหมายปลายทางที่เราเกิดมาก็ตั้งไว้สูงสงหน่อยคือจะไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดินแดนสุขาวดีคือดินแดนอันปลอดอารมณ์พุทธกเกษตรที่เพาะชำมรรคผลนิพพานแล้วก็จะไปที่ไม่เกิดแ ก, เก่เจ็บตายคือพรทธิพันธ์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 การเกิดของเราไม่มีอีกแล้วน่เป็นชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดได้ไหมอุดมการพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็ต้องฝ่าฟันเดียวอย่างลางหุ่นเนี่ยเขาออกมาปุ๊บตั้งแลยชื่อว่าลาหุ่นเลยบ่วงบ่วงที่จะผูกทันไว้ตันหนา ล, ลักลูกเหมือนเชือกผูกคอตันหาผัวเมียลัวกันเหมือนปอผูกศอก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 ถ้าไม่ถึงบนิพัผ่านเราก็มาอยู่นี่ผมมาโลกบ้างมาอยู่เทวโลกบ้างทางไปเทวโลกนี่ก็ความละอายต่อบาตต่อกำทั้งหลายถ้าใครมีความละอายต่อบาตรต่อกำทั้งหลายในหัวใจของเราเนี่ยเป็นวัตถุหรือเป็นอนิสงส์ีนำเราไปสู่สวรรค์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 ทางนี้ถือว่ามันมีใครตามมาแล้วขี่มาคือมันวิ่งธรรมดาคุณผูมแต่ควบมาก็มันวิ่งไวๆมันเขาแข่งมาเนี่ยเขาเรียกควบมาแม่เสียลูกสาวไปคนเดียททำไงก็ต้องวิ่งหาตามมานี่มาทางนี้วันเดียวทางนั้นดั่งมาสองวันลูกสาวกับผู้ชายนี่นั่งมาสามวันก็สองวันแม่ควบมา้ามาวันเดียวถึง มาถึงกับพบคำแล้วก็อ้อนวอนว่าลูกเอ้ยกลับเมืองเราเถอะไม่ได้รอกลูกทำยังไงเป็นใจแม่ก็ไม่ทำมันจะเสียเชื่อจา้าเราคิดมากโยมเออถ้ากลับไปไม่มีคนรักไปกับเราเราจะไปทาไมมีความหมายอะชีวิตโนดบางคนบูชาวความแลกกินบวชชีวิตมีเยอะแยะนะวันนี้หยอกที่ยายก็เขียนนะโยม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 หกเจ็ดวันก็นมีนะฝรั่งตามกณนาเจาริวันละแต่เรื่องอื่นไม่พูดหลวงพ่อไม่พูดหรอกีน้เรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่าแล้วนี่ก็มาสงเคราะห์เข้าในธรรมะเรา่ผู้มีอุปกราระคุณต่อเราคือพ่อคือแม่ของเราเราจะไปทิ้งได้ยังไงเราต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่เนี่ยกัเพราะนั้น่ะคนเรามันลืมบุญลืมบุญคนที่มีบุญคุณต่อเราเนี่ย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 อดีกว่าก็นั่งคิดในทางที่ไม่ดีนะมันหลับไปดีกว่าลที่เรามาจะนินทาคนอื่นนายยกเืมือนเราจะไปนินทาใครใส่ร้ายปลายสีรษะลรวมานอนหลับดีกว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมเราเนะี่ยคนที่เราใส่ร้ายปลายสีรนินทาเข า, เขากอาขอขาาข็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ต่างประเทศของเามีความสุขอยู่ที่ไหนก็รู้แล้วก็เลยหาเห่าเข้าตัวเองนะ่ะแหวงเท้าหาเสี้ยน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 น้ำใสอยาไปคิดว่าไม่มีพิษแต่คนอยู่กับชิดอยากคิดว่ามันจะไม่หักหลังเรานี่ยนี่พวกทํางานร่วมกันเยอะๆเนี่โอ้ยแล้วพ่อแก้ปัญหาโยมต้องพ่ออยู่ติดหนโยมกับมามีแต่พวกปัญหามาเมื่อวานก็มาหลายชุดจนลูกศิษย์โทรมาก็ต้องให้ก็โทรมาเวลาใหม่นะแล้วดีใจโยมไม่ขี้เกียจ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 คิดออกนอกกายของเราคิดมาในกายของเราคิดมาในใจของเราถ้าโยมจะมีความสุขให้รู้กายามากๆรู้ใจามากๆแล้วก็หัดสงบนิ่งเหมือนเราจังใจไปเราไปยึดทุกอย่างเราจะปล่อยวางทุกสิ่งแล้วท้องจะกิดให้นิ่งนั้นก็สบายอ่าสบายโยม